เนติประกรณ์นี่ลืมไปนานเลยนะกบขังลืมตั้งหลายเดือนอันนี้ไม่ลืมนะตัวในครั้งนะั้นเนติเนติแปลว่า น, นำไปอ่ะนะคำว่าเนติแปลว่า น, นำไปเนติประกรณ์ก็คือคำพีที่นำไปสู่มรรคผลและนิพพานคือเนื่องจากว่าพระมหากายนะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขยาย พระธรรมของพระผู้มีพระภาคโดยย่อให้พิสดารคำถามว่าท่านอาศัยหลักเกณฑ์อะไรในการขยายธรรมะที่ย่อเหล่านั้นให้พิสดารได้ก็คืออาศัยกฎเกณฑ์ของหาระนยะแลวก็อเพราะว่าคำีินินติปรกรณ์มีสามอย่างใช่ไหมคือหาระนยะแล้วก็มูลบทอีกสิบแปดก็อาศัย หาระนยะเป็นต้นนั่นและทำให้พระหมหากจรยนะสามารถ <c oughs> มีความสามารถในการขยายพระธรรมที่ย่อๆให้พิสดารได้หาระาแปลว่าวิธีกาจัดความหลงวิธีกาจัดความสงสัยวิธีกาจัดความเข้าใจผิดหรือวิปลาดในคำสอนหาระมีอยู่16บหหาระเนี่ยนะเป็นหาระ เป็นอุบายเป็นวิธีการในกำจัดความหลงก็คือความไม่รู้จริงในคำสอนเมื่อศึกษาหาระได้เต็มที่ก็จะทำให้ไม่หลงก็คือทำให้มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดี น, นะความสงสัยในคำสอนบางคนเนี่ยอพอเรียนเรียนไปก็จะสงสัยคาสอนไปเกือบทุ ก, ทกบทที่สงสัยก็เพราะว่าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่จบเป็นต้น เหมือนกับว่าพราะองค์แสดงไว้ไม่ดีก็เนื่องจากว่าตัวเองนี้เป็นผู้ที่สงสัยทันถ่าศึกษาเนติปรกรณเนี่ยนะหลายเรื่องถูกตัดความสงสัยออกไปความสงสัยเหล่านั้นก็ถูกกำจัดออกไปแล้วก็ความเข้าใจพระธรรมคำสอนที่ผิดๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประสงค์อย่างหนึ่งก็ไปเข้าใจซะอีกอย่างหนึ่งทันอันนั้นเรียกว่าความวิปลาสในคาสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าดาไพ่ไปบอกว่าเขา พระพุทธเจ้าบอกว่าผิดไพร่ไปบอกว่าถูกพระพุทธเจ้าบอกว่าควรละไพร่ไปบอกว่าควรเจริญเป็นต้นพันไออาการวิปลาดแบบนั้นนั้นถ้าศึกษาเนติปกรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคําสอนก็ถูกกําจัดออกไปด้วยวิธีการคือหาระหาระทั้งหมดนั้นมีอยู่16หาระนี่นะวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคําสอน มีอยู่16วิธีด้วยกัน16วิธีก็มีอะไรบ้างเทศนาวิจโยยุติปทัฐานโนเจลัคโนเจตุ ป, ปยโยโหจะอาวาตโตจะวิพัติปริวัตโนเป็นต้นเนี่ยนะก็คือนะมามาดูนะว่ามีอะไรบ้างตัวนะมีเทศนาหาระวิจยะหาระยุติหาระประทัตฐานะหาระลักษณะหาระเจตุปโยหาหาระอาวัตตหาระ วิพัติหาระปริวัตนะหาระเววัจนาหาระปัญญัติหาระโอตรณาหาระโสธนะหาระอธิฐานหาระปริขาระหาระสมาโรปนหาระเนี่ยะทั้งสิบหหาระหาระตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหารถ้าหารก็คือการหารคืออะไรก็คือการแบ่งนะการแบ่งซอยออกไป แต่หาระตัวนี้แปลว่าวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคําสอนถ้าใครรู้16วิธีการเหล่านี้เป็นอย่างดีที่จะศึกษาคําสอนแล้วงงสงสัยหรือเข้าใจผิดนี้ไม่มีอีกแล้วแต่ปัญหาว่าศึกษาวิธีก็ยังเข้าใจยาก อ, อีกสิวิธีที่จะกําจัดความหลงก็ไม่ใช่จะง่ายสักเท่าไหร่เนี่ยนะ แต่ก็เรียนได้นะพอที่จะเรียนได้เพราะเราเรียนมาตั้ง11หาระแล้วเรียนมา11วิธีนี่มาขึ้นวิธีที่12โอตระหาระหน้าหน้า81ข้อ42โอตระหาระเนี่ยนะแปลว่าวิธีอย่างลงในธรรมะหรือวิธีสงเคราะห์ธรรมะคือหมายถาว่าการแสดงธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถสงเคราะห์ไปเป็น เรื่องอย่างอื่นได้นะไม่ใช่มองอะไรก็มองทื่อๆมองเห็นแค่เฉพาะหน้าเท่านั้นนั้นวิธีโอตรณอหาระนั้นน่ะแปลว่าสังวร น, นาพิเศษที่อย่างลงในปฏิจจสมุปบาทมันมองเห็นอะไรต้องมองให้ออกโดยปฏิจจสมุปบาทมองให้ออกโดยอินทรีย์มองให้ออกโด ย, ออโดยขันโดยธาตุและโดย อายตนะพันการอย่างลงโดยปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์ขันอายตนะธาต์เรียกว่าโอตระหาระ ก, ก, ก็คือสรุปว่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันที่พูดถึงบ่อยๆก็คือว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรก็สงเคราะห์ลงขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทให้ได้การที่สามารถอย่างลงสู่ขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นลักษณะของโอตระหาระ การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะการอ่านพระธรรมการอ่านพระไตรปิฎกการ ฟ, ฟังพระพุทธพจน์เป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องสงเคราะห์ลงขันอายตนะธา т, ะตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาติให้ได้เหมือนฟังมงคลเนี่ยนะฟังมงคล38ก็ต้องสงเคราะห์ลงขันอายตนะธา т, Wan ะะตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุบาติให้ได้การสงเคราะห์ได้อย่างนี้การสา ม, มารถที่วิธีอย่างลงแบบธรรมวิธีอย่างลงแบบนี้ได้เรียกว่า โอตรณาหารเนี่ยนะมาดูคำอธิบายยกตัวอย่างเขาบอกว่ า, ายกตัวอย่างเราจะได้เข้าใจวิธีอย่างลงขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทก็ยกเอาพระสูตรในคาถาในอุทานในอุทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พระอาเสขบุคคลใดพ้นแล้วจากรูปธปาตุและอรูปธาตุเบื้องบนแล้วก็จากการมมาธาตุในเบื้องล่างก็คือสรุปว่าพ้นจากธาตุทั้งสานะพระอาเสขะคือพ้นจากหรือปราศจากราคะในการมาธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุไม่เห็นอัตภาพนี้ว่าเป็นเราพระอาเสขาบุคคลนั้นพ้นแล้วจากธาตุทั้งสามอย่างนี้ ข้ามแล้วซึ่งโอคะซีที่ไม่เคยข้ามมาก่อนเพื่อประโยชน์แกนิพานอันไม่มีการเกิดขึ้นอีกนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาจากคำพีอุทานที่บอกว่าพระอาเสขเนี่ยนะเป็นผู้พ้นแล้วจากธาตุเบื้องบนธาตุเบื้องบนนี้ก็คืออะไรบ้างรูปธาตุกับอารปร์ธาตุ รูปประทอรูปประทัดนี้แบ่งออกเป็นสองอแบ่งออกเป็นรูปเข้ไปรูปวิบากรูปกิริยารูปกุศลรูปวิบากและกิริยาก็หมายถึงรูปราวจรทั้ง15พ้นทั้งอรูปราวจร12เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเบื้องบนนั้นหมายถึงมหคตยะยี่สิเจ็ดนั่นเองอโทเบื้องล่างเบื้องล่างก็คือกามาธาตุการมาธาตุก็คื อ, อ พูดแบบจิตเจตสิกรูปก็คือกามาวจรจิตรูปทั้งหมดและเจตสิกที่ประกอบร่วมกับกามาวจรถ้าแบ่งโดยพพก็คืออบายอบาย4กามอ่ากามสุขคติอีก7เนี่ย น, นะกามสุขคติอีก7ก็รวมเป็น11พระอาเศขาเหล่านั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าสัพพทธิวิปมุตโตพ้นแล้วจากาธาตุทั้งสอ่า มุตตะแปลว่าพ้นหรือวิมุตต์อันเดียวกันเนี่ยนะวิปมุตต์แบบว่าพ้นโดยรอบพ้นหมดแล้วไม่เหลือแล้วหมายคือว่าพระอริยบุคคล น, นั้นเนี่ยปราศจากราคะในธาตุทั้งสเป็นวิมุตต์ที่เป็นอาเซฆะหรืออาเซขวิมุตต์เราเคยได้ยินนะว่าอะไรนะวิมุตต์มีหนึ่งอรนะศีลขันของพระอาเซฆะสมาธิขันของพระอาเสขะปัญญาขันเป็นของพระอาเซฆะ วิมุตติขันอันเป็นของพระอเซขะและก็วิมุตติญาณทัศน์ขันอันเป็นของพระอาเซข ะ, ต ร, รขขระขตรงนี้ยกมาวิมุตติขันอันเป็นของพระอเซขะสรุปว่าง่ายๆก็คือพระอาารันต์เนี่ยท่านตัดฉันทราคะในภพสามได้หมดแล้วทีนี้คุณธรรมที่เกิดร่วมกับอาเสขวิมุตติเนี่ยคืออะไรถ้าตั้งคําถามว่า คุณธรรมที่เกิดร่วมกับอเซขาวิมุตต์หรืออรหันต์ตรงนี้หมายถึงถามว่าพูดถึงจิตเนี่ยผู้กําลังพูดถึงจิตไหนอยู่กําลังพูดอรหัตตผลจิตอยู่อรหัตตาลจิตเนี่ยมีอะไรเกิดร่วมบ้างมีศรัทธาวิริยะสะตะิสมาธิและปัญญาก็คืออินทรีห้าที่เต็มเปี่ยมและสมบูรณ์อินทรีห้าที่สมบูรณ์เรียกว่าอาเสขาวิมุตต์นะก็คือศรัทธาวิริยะสะตะิสมาธิและ ปัญญาอันนี้การสามารถที่เอาอินรีเนี่ยนะหรือสงเคราะห์อารหัตผลลงอินรีย์5ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไร เ, เรียกว่าการหยั่งลงโดยอินซีเนี่ยนะการหยั่งลงโดยอินรีย์บาลีเขาใช้คําว่าอินทริโยตรณนะเนี่ยนะอินทริโยตรณนะแปล ว, ว่าหยั่งลงโดย อินทรีย์เนี่ยก็ในในอรหัตตโพลจิตก็ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยถือว่าเต็มเปี่ยมหมดเลยนะศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่เต็มเปี่ยมไม่ถึงกับล้นอ่ะนะพอดีนะวิริยะก็เต็มเปี่ยมพอดีสติก็เต็มเปี่ยมสมาธิก็มั่นคงปัญญาก็สมบูรณ์นั้นอินทรีย์ห้าของพระอริยบุคคล น, นั้นสมบูรณ์ ความที่อินทรีห้าสมบูรณ์เนี่ยนะก็เลยเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะเนื่องจากอินทรีห้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อินทรีห้าที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นี่เกิดจากอะไรอรหัตผลวิมุติเนี่ยนะถ้าถ้าพูดแบบประฐานาหาระหน่อยนะถ้ยองลองลอ ง, ลองทบทวนโดยประฐานน า, าระนิดหนึ่งว่าวิมุติวิชาและวิมุติก็มีอาหารเราไม่กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติ อะไรเอ่ยอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตตอาหารของวิชากับวิมุตตก็คือโพชชงนั่นเองโพชชงนั้นเป็นอาหารของวิชาและวิมุตตโพชงก็มีอาหารและอะไรเป็นอาหารของโพดชงล่ะอะไรเป็นอาหารของโพชงสติปทานเป็นอาหารของโพชชงแล้วสติปทานมีอะไรเป็นอาหาร สุจิริสมเป็นอาหารของสติปทานแล้วสติปทานมีสุจิริสามมีอะไรเ ป, เป็นอาหารมีสต mm. ิ so CER สัมปชัญมีอินทรีย์สังวรเป็นอาหารอินทรียสังวรมีอะไรเป็นอาหารอินทรียสังวรมีอะไรเป็นอาหารมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารสติสัมปัญญะมีอะไรเป็นอาหารสติสัมปัญญาก็มีโยนิโสมนัิการโยนิโสมนัิการก็มีอาหาร มีศรัทธาเป็นอาหารศรัทธามีอะไรเป็นอาหารการฟังธรรมที่สมบูรณ์เป็นอาหารการฟังธรรมที่สมบูรณ์ก็เนื่องจากครบสัตบุรุษแต่ถ้ากล่าวตามประทัดฐานนาระนะเมื่อกี้เนี่ยกล่าวตามนัยยะแห่งพระสูตรชื่อว่าอาวิชชาสูตรแต่ถ้ากล่าวตามประทัดฐานนาระดูหน้า39เนี่จะเห็นว่า วิมุตต์เ e. นี่ยนะวิมุตต์ก็มีวิราคะเป็นประฐานนะวิมุตต์นะมีวิราคะเป็นประฐานวิราคะมีนิพพทาเป็นประฐานนิพพทามียาถาภูตยานทัศนะเป็นประฐานยาถาภูตยานทัศนะมีสมาธิเป็นประฐานสมาธิมีสุขเป็นประฐานสุขมีปัสสัตทิเป็นประฐานปัสสัททิมีปีติเป็นประฐานปีติมีปราโมทเป็นประฐานปราโมทมี อวิปปติสารเป็นประฐานอวิปปติสารมีศีลเป็นประฐานศีลมีอัตตะสัมมาปณิธิเป็นประฐานอัตตะสัมมาปณิธิเพราะครบสัตบุรุษเป็นประฐานครบสัตบุรุษเพราะอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นประฐานที่อยู่ในปฏิรูปประเทศที่สมควรได้เพราะปุเพกตปุญญตาเป็นประฐานปุเพกตปุญญตาก็เนื่องจากมีอัตัญญูตาเป็นประฐานอัตัญญูตาก็มี อันะอตันยุตาก็เนื่องจากมีปัตตันยุตาเป็นประฐานปัตตันยุตาก็เนื่องจากมีปีตันยุตาเป็นประฐานปีตันยุตาก็เนื่องจากมีติดทันยุตาเป็นประฐานมาไกลมากเลยนะแสดงว่าอดีตนู่นนู่นแค่ไหนนู่นถ้าพระพุทธเจ้าก็ไกลมากเลยนู่นนะนะก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดถึงอดีตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากท่านติดทันยุตาท่านอาศัยสัพบุรุษท่านได้ครบ กัลยาณมิตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระสาวกทั้งหลายในอดีตท่านเหล่านั้นได้เคยคบอาศัยกัลยาณมิตรเมื่อท่านได้คบกัลยาณมิตรท่านก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมทำให้เกิดท่านเกิดปีติในกุศลธรรมเนี่ยนะมีปีติปราโมทย์ในกุศลธรรมเมื่อมีติปราโมททำให้ท่านเกิดการปฏิบัติเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเจริญกรรมฐานเมื่อท่านเจริญกรรมฐานท่านจึงรู้จักประมาณของตัวเองเป็นอย่างดี เมื่อท่านรู้จักตัวท่านเองเป็นอย่างดีท่านก็เลยทําบุญเต็มที่เรียกว่าปุเพกตกปุญญาตาเมื่อท่านาทําบุญไว้แล้วในปางก่อนทําให้ท่านได้เกิดในประเทศที่สมควรเมื่อเกิดในประเทศที่สมควรก็ก็ไปอาศัยสัตว์บุรุษไปคบสัตว์บุรุษเนื่องจากคบสัตว์บูรุษนี่แหละทาให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเมื่อมีการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิก็มีการรักษาศีลทั้นศีลกุศลศีลที่ดีก็นํามาซึ่งความ ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็เป็นเหตุให้เกิดปราโมดเป็นเหตุให้เกิดปีติปัสสัธิแล้วก็ได้รับความสุขนะผู้ที่มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกําหนักแล้วก็หลุดพ้นทันวิมุติที่หลุดพ้นอันนั้นแหละประกอบไปด้วยอินทรีย์ทั้งห้าอันนี้เป็นการย่างลงอินทรีย์นะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเจริญอินทรีย์ที่ที่สมบูรณ์มากอดีตท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธา เนื่องจากว่าศรัทธาที่สมบูรณ์เนื่องจากมีศรัทธาในอดีตเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสมีความผ่องใสในกุศลรธรรมทําให้ท่านตั้งความปรารถนาที่ดีและถูกต้องมีการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะทำบุญไว้เป็นอย่างดีในอดีตเพราะเนื่องจากความที่ท่านมีศรัทธาท่านจึงคบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นอย่างดีมีการประกอบกรรมฐานมีการปฏิบัติตามที่สัตบุรุษทั้งหลายแนะนํา เมื่อสั บ, บรุษทั้งหลายแนะนำท่านก็ปฏิบัติตามเมื่อมีการปฏิบัติตามตามนั้นได้อย่างดีเยี่ยมก็เนื่องจากมีความเพียรใช่คนที่ปฏิบัติตามได้ก็เนื่องจากมีความเพียร น, นะไม่เลอะเลือนในคำสอนเมื่อไม่เลอะเลือนยิ่งปฏิบัติตามเท่าไหร่ใจก็ยิ่งตั้งมัน่นเพราะว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธินี่มีวิริยะและมีสติเป็นเป็นตัวที่เกื้อกูลทาให้ตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริง อินทรีย์ทั้ง5ก็มีมีความสมบูรณ์อันพระอริยะบุคคลที่หลุดพ้นได้อย่างนี้ก็เนื่องจากว่ามีอินทรีย์าสมบูรณ์ถ้าอินทรีห้าไม่สมบูรณ์บรรลุไม่ได้แล้วก็มาถามดูถ้าเราปรารถนาการตรัสรู้ทําการปรารถนาที่จะบรรลุจะต้องบริบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์ทั้งห้าคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเพราะว่าพระอริยะบุคคลทั้งหลายที่ท่านบรรลุเนื่องจากว่าอินทรีห้าของท่าน สมบูรณ์อันถ้าหากว่าอ่านพระธรรมที่ใดพบคุณธรรมของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เนี่ยหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วจากธาตุสหลุดพ้นที่เราเรียกว่าหลุดพ้นจากวัตะที่ท่านหลุดพ้นจากวัตะได้เพราะท่านมีอินทรีย์ห้าที่สมบูรณ์อินทรีย์หที่สมบูรณ์นี่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากวตฏะได้ทัวในครั้งนั้นอินทรีย์ห้ามีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญา ศรัทธาเนี่ยดูได้ที่ไหนโสตาปฏิยังค่าธรรมสี่ประการเนี่ยนะถ้ามีโสตาปฏิยังค่าธรรมสี่ประการบอกลักษณะของผู้มีศรัทธาวิริยะดูได้จากที่ไหนสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่บอกถึงว่าเป็นผู้ที่มีวิริยินรีมีวิริยะสติดูได้จากที่ไหนก็ดูจากสติประธานสี่ฝันผู้ที่มีสติประธานสเรียกว่ามีสติ สมาธิดูได้จากฌานสี่ฉะนั้นฌาน4ี่นี้ประกาวถึงความเป็นผู้มีสมาธิปัญญาล่ะญญก็รู้ที่ดูที่อริ ย, รยสัจ4ประการมันอริ ย, รยสัจ4ประการนี่เป็นตัวบอกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามันคุณธรรมทั้ง5ประการคือศรัทธาที่ในโสตาปฏิยังฆะธรรมสี่วิริยะที่ใน สัมมาประธานสี่สติที่ในสติประธานสี่สมาธิที่ในฌานสี่ปัญญาที่ในอริยสัจ ส, สีท่านมีคุณธรรมเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ท่านจึงเป็นพระารหันก็นั่นก็อินรี่ห้าเต็มเปี่ยมเนี่ยนะเขาจึงเอาคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้ชมพระอริยะบุคคลว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยนะคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอะไรนะ อินรี่ห้หรือสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันคําว่าวิมุตต์ตัวนั้นก็หมายถึงอินรีย์5ที่เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ศีลเขาบอกว่าศีลศีลเนี่ยผู้มีศีลเนี่ยลักษณะของผู้มีศรัทธาสัจธินรีลนี้มีกําลังคือลักษณะของผู้มีศีลสมา ธ, สมาธิสมาธิก็เนื่องจากว่าคนนั้นมีวิริยะมีสติและมีสมาธินนะ 5, เนี่ยนะอินทรี่ห้าเนี่ยถ้าไล่ามาเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้ ศรัทธาก็คือผู้มีศีลผู้ที่มีสมาธิก็มีวิริยะสติและก็สมาธิแล้วก็สุดท้ายก็คือปัญญาเพราะนนั้อินทรีย์ห้ากับศีลสมาธิปัญญาก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ประชุมพร้อมกันนะผลของการปฏิบัติถ้าอินทรีย์ห้าประชุมกันเนี่ยท่านบอกว่าอากาลิโกให้ผลได้ไม่จํากัดการถ้าอินทรีย์ห้าประชุมกันเมื่อใดทํากิจแทงตลอดอริยศาสตร์ได้เมื่อใดผลก็เป็น วิมุตตก็เกิดขึ้นวิมุตตอันนั้นก็คืออินรี่ห้าที่เป็นเป็นผลเนี่ยนะผลของอผลของการเจริญนั้นวิมุตตที่เป็นของพระเสขก็คือของพระอรหันต์ผู้ที่ศึกษาสำเร็จแล้วอินรี์ทั้งห้ามีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่เป็นอาเสขวิมุตตตัวนี้นี่แหละเป็นวิชาเป็นวิชา วิย์คำว่าวิชาเนี่ยนะไม่ใช่รู้เฉยๆโดยที่ไม่มีองค์งคุณอย่างอื่นมาประกอบใช่ไหมก็เนื่องจากมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องประกอบรวมกันปัญญาถึงจึงทากิจของตัวเองได้เมื่อวิชาทมกิจของตัวเองได้รร ก, ไดก็แปลว่าอริยมรรคมีการประชมกันขึ้นอริยมรรค ม, ม, มีกี่มรรคมรรคมีกี่มรรคมรรคมีสี่มรรคแต่ละมรรคมีองค์8 โสดาปฏิมัคมีองค์8ดสกะธทาคามีมัคมีองค์แปดอนาคามีมัคมีองค์8ดอรหัตมัค ก, ก็มีองค์แปดมัคทั้ง8ที่ประชุมกันเนี่ยนะก็เรียกว่าวิชาหรือความรู้โดยที่ยกสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าและเป็นประธานความรู้อันนั้นนี่แหละที่เกิดขึ้นมาก็จะดับความดับแห่งอวิชชาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่ง วิชาเหมือนอย่างว่าดับความมืดได้ก็เพราะดับ เ, เพราะมีแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างก็ดับความมืดได้ฉันใดถ้ามีวิชาสัมมาทิฐิหรือสัมมาทิฐิที่มีบริขารคือมรรคที่เหลืออีกเจ็ดองเป็นบริขารหรือปัญญีย์ที่มีอินรีที่เหลือเป็นบริขารหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงที่มีโพชฌงที่เหลือเป็นบริขารเป็นบริวารเนี่ยนะเกิดขึ้นมาก็ดับความไม่รู้กำจัดความไม่รู้ กำจัดอวิชชากำจัดความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทยัยดับความไม่รู้ในทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาสรุปว่ามีวิชาแทงตลอดอริยสัจเพราะวิชาก็คือความรู้ในทุกขสมุทยัยนิโรธและมรความรู้ในอริยสัจสี่ประการเรียกว่าวิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นก็ดับความไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นในอริยสัจ ถ้าดับอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือสำรอกอวิชชาประหารอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดแล้วความดับสังขารก็ย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชาสรุปว่าถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับความดับแห่งวิญญาณก็มีเพราะความดับแห่งสังขารความดับแห่งนามรูปก็ย่อมมีเพราะความดับแห่งวิญญาณความดับสลายตนะก็ย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับผัสสะก็ย่อมมีเพราะการดับ สลายตรนะนะความดับเวทนาก็ย่อมมีเพราะความดับแห่งภัสสะความดับตัณหาย่อมมีเพราะความดับแห่งเวทนาความดับแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความดับแห่งตัณหาความดับแห่งพบย่อมมีเพราะความดับแห่งอุปาทานความดับชาติได้ก็ย่อมมีเพราะความดับพบความดับพบได้ก็เพราะก็จะชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตย่อมดับเพราะความดับแห่งชาต ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉนั้นอรหัตตผลวิมุตต์เกิดขึ้นเนี่ยนะอรหัตตผลวิมุตต์หรืออรหัตตะมักเกิดขึ้นอรหัตตะผลเกิดขึ้นอรหัตตะมักอรหัตตผลที่เกิดขึ้นนี่แหละประหารอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อประหารอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงแล้วสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับสลา ย, ยตนะนามรูปดับสลายยตนะจะดับท้าสลายยตนะดับ ภาษาก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งวัตถทุกขความดับแห่งกองทุกทั้งหลายก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าดับสัตว์ใช่ไหมไม่เรียกว่าดับสัตว์ดับบุคคลดับชีวะดับอัตตาอะไรเป็นต้นแต่ดับ กองทุกคือดับอุปาทานขันห้าอุปาทานขันหก็คือกองทุกขแบบที่เราสวดใช่ไหมขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปตัวนั้สิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละคือกองทุกกองทุกขเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรชารามระโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเกิดจากอะไรชาติชรามระชรามระโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตกองทุกทั้งหมดเกิดจากชาติเกิดจากชาติเกิดจากปฏิสนธิ เม <ME> ื่อมีปฏิสนธิจึงมีชาติชราและมรณะเป็นต้นแล้วปฏิสนธิคือชาตินี่มาจากไหนก็มาจากภพภพมาจากไหนอุปาทานอุปาทานมาจากไหนมาจากไหนอุปาทานมาจากตัณหาตัณหามาจากเวทนาเวทนามาจากภาษาภาษะมาจากสลายตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจาก สังขารสังขารมาจากอาวิชชาพันธ์จะต้องเจริญอินทรีย์ทั้งหประการเพื่อจะกำจัดอวิชชาเหล่านั้นได้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเป็นตัวดับอวิชชาถ้าดับได้วัตถุทุกทั้งหมดก็เป็นอันดับการสามารถอย่างลงปฏิจจสมุป บ, บาทอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปปาโทรตรณนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทรตรณนะ การสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทคือฟังพระธรรมหนึ่งสูตรเนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างสูตรเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่าพระอาเสขาบุคคลพ้นแล้วจากาธาตุสไม่เห็นอัตภาพว่าเป็นเราพระเสขาบุคคลนั้นพ้นจากาธาตุทั้งสาแล้วเนี่ยนะไอการที่หลุดพ้นจากาธาตุทั้งสาเหล่านั้นได้ก็เนื่องจากท่านมีอินทรีย์าและอินทรีห้าที่เกิดขึ้นเนี่ยกำจัดอวิชาที่เป็นต้นเหตุ ข, ของวัตฏะได้อย่างไรวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะ เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเป็นต้นจะต้องสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นมีทั้งปฏิจจสมุปบาทสายโลกิยะปฏิจจสมุปบาทเรีวยกว่าสายวัตตะกับโลกุตระปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทสายวิวัตตะเป็นต้นเนี่ยจะต้องมองให้ออกทั้งสองฝ่ายมองฝ่ายเกิดและฝ่ายดับให้ให้ออกเนี่ยนะ ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสมัยก่อนเขาเรียนพระไตรปิฎกเข้าจึงเข้าใจก็เนื่องจากว่าเขาสามารถยังลงอินรีย์าได้สามารถยังลงปัดฟังแล้วยังลงปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมได้ขณะเดียวกันไม่ใช่เท่านั้นนะในหน้า82บอกว่าอินรีย์ามีศรัทธาเป็นต้นที่เป็นอาเสขาวิมุตเหล่านั้นก็สงเคราะห์ด้วยขันสคือศีลขันสมาธิขันแล้วก็ปัญญาขันขันเนี่ยแปลว่ากอง กองแห่งอริยคุณทั้งหลายมีศีลพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยกองแห่งคุณธรรมคือศีลกองแห่งคุณธรรมคือสมาธิกองแห่งคุณธรรมคือปัญญาเพราะฉะนั้นท่านมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นกองพเนินเทิงทึกเลยนะใหญ่มากนะคุณธรรมทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เป็นอสเคขวิมุติเหล่านั้นจริงๆก็เป็นสังขารขันนะ ศรัทธาก็เป็นสังขารขันถ้าพูดตามขันห้านะศรัทธาก็เป็นสังขารขันวิญญาณวิริยะก็เป็นสังขารขันสติสมาธิและปัญญาแต่และอย่างเหล่านั้นเป็นสังขารขันหมดเลยขันมีห้าใช่ไม่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอเสขาวิมุตต์เนี่ยเป็นสังขารขันเขาจึงมีการกล่าวว่าอรหัตผลนี่คืออะไรกันแนะ่อรหัตผลก็คืออะไรก็คือ เวทนาขันสัญขาระเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันอรหัตผลก็คือนามขันสี่นั่นแหละเนี่ยก็คือนามขันสี่ท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคือคือใครก็คือขันที่ผ่านการอบรมหรือขันห้าที่เกิดจากการเจริญอินทรีย์อย่างเต็มเปี่ยมที่เราตั้งโวหารว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉนพาตฐานก็คือคุณธรรมอ่ะนะเป็นขันที่เป็นวิวัตะ ที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่และสมบูรณ์เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าพระอรหรันต์เนี่ยนะพระอรหันต์ก็คือขันนั่นเองแต่บางพวกเข้าใจผิดเข้าใจว่าอารหันต์เป็นสัตว์นะแยกให้ออกนะว่าพระอรหันต์ไม่ใช่สัตว์ขณะเดียวกันพระอรหันต์คือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะตรงนี้พิเศษคือสังขารขันธ์ธาตุขันธ์คือผู้ที่อบรมสังขารขันธ์ได้อย่างเต็มเปี่ยมอบรมศรัทธามาอย่างบริบูรณ์อบรมวิริยะอย่างบริบูรณ์อบรมสติอบรมสมาธิและอบรมปัญญาอย่างบริบูรณ์ซึ่งเหล่านั้นจึงไม่ใช่สัตว์ท่านเขาบอกว่าธาตุขันธ์ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ มันเป็นคําถามที่เป็นโมฆะเนี่ยนะเป็นคําถามที่ไม่ควรถามะนผ้าอรหันของบางคนเนี่ยแปลโดยแปลว่าเป็นสัตว์นะถ้าอยู่บนพื้นฐานสัตตสัญญาเนี่ยจะไหลออกไปหาสัตสตสตตทิฏฐิหรือไม่ก็อุเฉททิฏฐิบางพวกก็เลยถือว่าผ้าอรหัน์ไปอยู่ในภพที่อยู่ในนิรันดรภพที่เป็นอมะตะบางพวกก็บอกผ้าอรหันตายแล้วศูนย์คำพูดทั้งสองคํานี่อยู่บนพื้นฐานส ก, กายทิฏิทั้งคู่ นะถ้าใครเผลอ ต, ตอบเข้าไปเสียหายมากเนี่ยนะว่าคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะเนี่ยนะพระพุทธพระพุทธภาษารีบุตรแก่พะยะมะกะใช่ไหมพะยะมะกะเข้าใจว่าผ้าอรหันต์ตายแล้วศูนย์อะไรคืออรหรันรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นผ้าอรหัน